ผู้เรื่องสติก็ให้ระลึกไว้ว่าสตินั้นมีหลายอย่างหลายแบบสติเฉยๆหรือว่ามิจฉาสติหรือว่าสัมมาสติสติเฉยๆนี่เราก็มีอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วที่เราทำงานทำการต่างๆได้ก็อาศัยสติเริ่มตั้งแต่ที่ทำให้เราไม่หลับไหล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 จมอยู่ในอารมณ์ในสภาวะเช่นนั้นเนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นอุปท า, านกันนะ อ, อุปท า, านบาลีอุปท า, านภาษาไทยไม่เหมือนกันอุปท า, านภาษาไทยมันความหมายอย่างหนึ่งเมื่อคําว่ามานะในภาษาไทยกับมานะภาษาบาลีก็ไม่เหมือนกันมานาะภาษาไทยเป็นของดีเรียกว่ามานะพยายามเอามาตั้งเป็นชื่อคนก็เยอะพราะเข้าใจว่ามานะแปลว่าพยายามแต่ามานาะภาษาบาลีมันเป็นกิเลส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 ว่าอย่างนี้แหละฉันต้องทำให้ได้ถ้าใครมาขัดขวางฉันก็ไม่พอใจอย่างมีเด็กเนี่ยเด็กน้อยอยากจะใส่บาตรพระเคยไปบินธนบาตแถววังเเนเด็กเนี่ยอยากจะใส่บาตรเด็กตัวเน้อยตัวเล็กน้อยก็สามขวบแต่แม่เนี่ยเห็นว่าเด็กยังเล็กไปแม่ก็เลยจะใส่บาตรเองเด็กนี่ด้วยความ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 ก็กลายเป็นว่าตัวเองไม่อยากให้คนอื่นมาตัดแต่ตัวเองก็ตัดซะเองอันนี้ก็อุปทานเหมือนกันนะคือความยึดความยึดว่าตัดไม่ได้ตัดไม่ได้เมื่อม่มีคนตัดก็ไม่อยากเขาตัดต้องการเอาชนะก็เลยตัดเองบางสิ่งบางอย่างนี่มันมีอุปทานในสักอย่างแล้วเนี่ยเราก็จะทําในสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เราอยากแม่จะพาลูกไปเที่ยววันเสาร์อาทิตย์จะไปเที่ยวทางไกล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 แต่กลับมามีอุปรสรรคโกรธนะอ้าวก็จะไปเที่ยวไม่เหอจะไปสนุกไม่เหอแล้วโกรธทำไมใช่ไม้มจะไปเที่ยวทั้งทียังมาเครียดยังมาโมโหโ อ, อะไรอีกแต่ก็เผลอเครียเเผลอโกรธไม่ได้เพราะว่ามันอยากจะไปสนุกไงอยากจะไปสนุกนานๆนนแต่ว่ามีอุปรสรรคซะก่อนไม่เป็นไปตามแผนไอ้ความอยากและความยึดเมื่อมันไม่ได้เป็นไปตามใจมันก็ ทำให้เกิดโทสะขึ้นมาก็เป็นว่าแทนที่จะไปเที่ยวแทนที่จะไปสนุกกับครอบครัวให้สบายใจก็กลายเป็นเกิดขัดแย้งกันขึ้นมาเพราะเรื่องไปเที่ยวไปเที่ยวแทนที่ทําให้สนุก ท, ทําเททําให้ครอบครัวสมัครใกันกลับทําให้ครอบครัวไม่ถูกกันหรือว่ามีเรื่องทะเลาะเบาแหวงกันมันกลายเป็นตรงกันข้ามเพราะอะไรเพราะอุปท า, านดังนั้นเราเราต้องระวังนะอุปท า, านเนี่ย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 จิตใจผ่องใสแต่ความอยากเช่นนั้นทำให้จิตใจเราไม่ผ่องใสจิตทให้จิตใจเราเกิดความหงุดหงิดเพราะพ่อแม่มามาเยี่ยมก็มาเยี่ยมด้วยความปรารถนาดนะีอันนี้เพราะความความอยากอยากปฏิบัติอยากเห็นผลการปฏิบัติอยากสงบอยากมีคุณวิเศษก็กลายเป็นว่ากลายเป็นเครียดกลายเป็นถอยหลังกลับไปแทนที่อยา ก, ก้าวหน้าเพราะวาความอยากเนี่นะนะเป็นกันบ้างหรือเปล่านะ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 ทำร้ายแม้กระทั่งคนในาศาสนาเดียวกันแต่ว่าต่างนิกายหรือว่าทำร้ายคนมุสลิมที่ไม่เห็นด้วยกับตัวเองก็ฆ่าเขาซะและบางทีเรายึดถืออะไรก็ตามเนี่ยแม้จะเป็นสิ่งดีนะแต่ถ้าถ้ามันยึดถือจนกลายเป็นอุปาทานไปมันก็กลายเป็นร้ายได้เหมือนกันการนับถือหรือการเชื่ออะไรก็ตาม บางทีเชื่ออะไรไม่สัมพันธ์กับว่าเชื่ออย่างไรเชื่อในสิ่งที่ดีแต่เชื่อด้วยความงมงายอุปาทานมันก็ทําให้ทําในสิ่งที่ชั่วได้อันนี้เราต้องต้องระวังเราบางทีเราก็เปิดมีอุปทานในสิ่งต่างๆมากมายแล้วก็อุปทานอย่างนึ่คืออุปทานในเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศตําแหน่งมีตําแหน่งอะไรมันก็จะยึดเอาไว้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 แม้กระทั่งความเป็นพระมันก็เป็นสมมุตินะซึ่งเราก็ต้องใช้ให้เป็นแต่จะไปยึดเอาไว้ไม่ได้ยึดเอาไว้เป็นทุกข์นะพระเขาเป็นภาลโยมเขาบางคนโยมเขาไม่รู้ประเพณีเขาก็อาจจะไม่แสดงสัมมาคารวะนะไม่กราบไม่ไหว้อย่างถูกต้องหรือบางทีเรา